มันมีทุนพอที่จะ <c oughs> มีที่พึ่งพาใส่มันกว่าจะต่อเติมได้ง่ายอ่ายิ่งอจะดีกว่าที่ไม่มีเสยเลยเจ็ดวันเรามาปฏิบัติเพื่อบความบริสุทธิ์หมดจดของกิจวิญญาณของเราสักครั้งหนึ่งนี่มันก็ดีถ้าคนเราเกิดมาไม่เคยฝึกฝนตนเอง เ, ยเลยนี่มันก็ ภาพปัจจนทางจิตวิญญาณว่าไม่ทุกขญญมกมกม์มันเป็นมรดกของจิตวิญญาณว่าไม่โกรธว่าไม่โลภว่าไม่หลงมันเป็นมรดกของจิตวิญญาณของเราสิ่งที่จะนำพาให้เราถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือ<ป>หัดเดินไปนี่แหละเห็นเรามาเดินตามรอยสพูติเจ้าเราอยาก รูกจักของผู้ใดของท่านผู้ใดแล้วก็ทําตามท่านลองดูเราเคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ทําตามพระพุทธเจ้าลองดูทำที่ทําให้ถึงพระพุทธเจ้า ล, ละชั่วทําดีทําจิตให้บริสุทธิท์ทีนี้เราจะละชั่วอย่างไงจะทําความดีได้อย่างไร ่ทำลายจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็ไม่ต้องไปค้นหาอะไรมีสูตรมีตำร า, ามาีแบบมีแผนอยู่เป็นาทางที่จะดำเนินชีวิตไป ส, สู่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ดังที่เคยพูด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 เราหัดเดินเราจะลู่จะคล่องแต่วันหนึ่งอาจจะเกิดความคล่องแคล่วขึ้นมาอาจจะง่ายสําหรับผู้ที่เคยแต่ผู้ใดที่ไม่เคยเดินเลยๆก็มืดแปดด้านเวลาใดมันมีทุกข์ก็ไม่รู้จักทิศทางออกก็จนอยู่กับความทุกข์เวลาใดมันโกรธก็จนอยู่กับความโกรธจิตใจผู้แแูแปดแฝดตรงๆงแต่งแต่ง สิ่งที่เหนือจากปููปูแฝดๆปรุงๆแต่งๆเราไม่เคยสัมผัสเมื่อเราไม่เคยไม่คินไม่เคยไม่มีนิสัยไม่มีปัจจัยมันก็ลบาบากเป็นคนอาภัพอับจนไม่มีทางออกบางที่พูดคราวก่อนชีวิตของเรามันต้องมีทางออกมันเกิด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 เราถูกกระขังก็ไม่มีอิสรภาพแล้วก็มัดมือชกได้อะไรมาก็ถูกเราหมดนั่นเราจึงหาทางออกดำเนินตามรอยพระพุทธองค์ด ำ, ดำเนินตามรอยพุทธบาท พ, พุทธบาทก็ไม่ใช่รอย <c oughs> เจ้าที่เราเคยเห็นเคยไปกราบไปไหว้อยู่ที่ลบุรีบ้างที่อภุดส บ, บาทที่นครพนมบ้างที่ไหนที่พระบาทจำลองหลายๆแห่งเพราะนั้นเป็นสมมติปัญญัติไม่ใช่เป็นปรมััญญัต์รอยพระบาทของตัวเจ้าจริ ง, รงๆเขาเคือละชั่วทำดีทำกิจให้บริสุทธิ์หมายถึงศีลสมาธิปัญญาทรงให้ได้ผีให้ได้ ให้สะอาให้บริสุทธิ์ให้หมดจดวันหนึ่งคืนหนึ่งอ า, อาจจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยอาจจะได้สัมผัสกับอิสระภาพในกิตวิญญาณอาจจะคุ้นเคยอาจจะชำนิํานานมันมีความชมนิชำนานก่อาทางออกได้ง่ายแล้วเราอยู่บ้านมีประตูเราช <c oughs> ำนานในทางการเข้าออกประตูบ้านของเรา มันมีอะไรเกิดมวิ่งออกทางประตูปลอดภัยทุกทั้งทุกข่าวเพราะมีประตูออกสังจิตทางใจของเราก็เหมือนกันมันมีทางออกความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายเราใดที่มันประสบมันเกิดขึ้นแใจเราพอออกอย่างคล่องแคล่วว่องไวปลอดภัยทุกทีไม่ต้องไปหัวเราะไม่ต้องไปร้องไห้อ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 เราหลงเรื่องของกายก็มีเรื่องของกายก็มีหลายอย่างเวทนาของกายก็ความปวดความเมื่อยความซ่อนความหนาวความหิวความกระหายเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเจ็บเราเราทํำยังไงกับเวทนาเนี่ยบาทีเวทนานี่ไปลงโทษเรายังไม่พอไปอสร้างเกิดความวุ่นวายแก่คนอื่นเขามี เราไม่เข้าใจมันการที่จะกําหนดรู้เวทนาเราต้องเห็นเวทนาเป็นสักว่าเวทนาไม่ใช่ เ, เวทนามาลงโทษต้องร้องโหม่ร้องไห้เห็นทุกสวยทุกไปกับมันที่มันเกิดขึ้นเราก็มีสติ ด, ดูให้เห็นว่ามันเป็นคนละอันเวทนานี้มันก็เป็นธรรมเป็นสัจธรรมเราจะเราจะหนีเราจะปฏิเสธเไม่ได้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 กายมันก็หลอกเราเราก็ตกเป็นทาสของเรื่องของกายที่มันหลอกเราเสียเงินเสียทองมามากเรามีสติเรามีสติ <c oughs> เ, รสตเรากร็รู้เรื่องของกายแต่เราเห็นตามความเป็นจริงเรื่องของกิจใจก็เหมือนกันเรื่องของกิจเนี่ก็มีมากมายอาปภาษานิทัศน์เขาว่ามีกิจตั้ง ร้อยแปดดวงโลภะจริตโทสะกิตตากุศลจิตโลภะกิจอะไรต่างๆเมืออ่อ ก, กุศลกิตเกิดขึ้นเป็นยังไงเมื่ออ ก, กุศลภิกขิเกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วก็นับเอากิตที่มันปรุงมันแต่งว่าเป็นจิจจริงๆแล้ก็มีจิตอันเดียวนั่นแหละมีจิตใจอันเดียวนั่นแหละ สิ่งที่มันมาปรุงแต่งไม่ได้เรียกว่ากิตเป็นกิเลสเป็นดัชตี ก, ก ะ, ะมันมาปรุงมาแต่งความโกรธไม่ใช่จิตความทุกข์ไม่ใช่จิตความหลงความไม่สบายอะไรต่างๆไม่ใช่จิตจกิจแท้ๆจิตจําเดิมมันเป็นปกติไม่ได้ทุกข์ไม่ได้โกรธไม่ได้เศร้าไม่ได้คิสดุกกังวลอะไร เราก็จะเห็นถ้าเรามีสติถ้าเราไม่มีสติก็ไม่เห็นแล่ะถ้าเรามีสติกิตที่มันเป็นจิตเดิมๆ ม, มันก็ปรากฏขึ้นมาเพราะขณะที่เรามีสติความปรงแต่งจะไม่มีความปรงแต่งไม่มีเพราะความปรงแต่งไม่มีก็เหมือนกับน้ําที่มั น, นกําลังจะนิ่ง กำลังส่องเงากำลังจะเห็นเงามหน้ามันสงบสงบมองเงาเราได้ชัดแต่ที่น้ามันเกิดเพื่อมก็ไม่สามารถที่จะมองเงาได้จิตใจของเรากำลังกันถ้าเรามีสติก็เหมือนกับบรรยากาศเกิดความปกติลงไม่พัดน้ามันก็นิ่งลงนิ่งลงแล้วก็มองเห็นสภาพของจิต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 ลองต่อลองสักหน่อยกำหนดลู่สักหน่อยหยุดฉุกคิดขึ้นมาฉุกความลู่ขึ้นมาสักหน่อยเมื่อเราเดินไปตามถนนหนทางเห็นไม้มันเหมือ น, นกับ ค, ค่ายค่ า, คางูก็ฉุกฉุกดูซะก่อนให้พิเศษสักหน่อยเอะ อ, อะไรถ้าเป็นงูก็ให้รู้ว่าเป็นงูจ้ะถ้าเป็นไม้ก็ให้รู้ว่าเป็นไม้จ้ะ จะให้ได้คําตอบนะจะไม่ได้ข้างขาไม่สงสัยขณะที่มันรักคิดเนี่ยก็เหมือนกั น, นลองลองฉุกสติขึ้นมาเอ๊ะนั่นอะไรพักท่วงดูพักท่วงความลักคิดลองดูอย่าให้มันเป็นอิสระความลักคิดต้องมีผู้เห็นผู้ดูมันมาทีไรท่วงทุกทีอะไร ช่วงตกทีมันก็แฉกแปลกหน้าที่มาเยี่ยมมาบ้านเราถ้าใครมาก็ลูกจาได้จำไ ด, ำได้คนนั่นอยู่บ้านนั่นคนนี้อยู่บ้านนี้คนดีคนชั่วจะจำได้แต่รู้จักคบความคิดที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจก็เหมือนกันจนได้พูดออกไปว่าโอ้ความคิดก็สักว่าความคิด ไม่ใช่สัตว์บุคลคลตัวตนเราเขาที่ไหนไม่เชื่อก็ได้ไม่ทาตามมันก็ได้บางทีมันก็หลอกเราเหลือกเกินความคิดน <c oughs> คนนี้สติก็เป็นธรรมดามันก็ต้องเห็นอะไรที่มันเป็นจริงเมื่อเรามีตาลืนตาขึ้นมามันก็เห็นอะไรที่เป็นจริงอต่าัหลวงพ่อนั่งอย่างนี่กำลังลืนตาดูญาติดูโยมกาลัง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 โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติดังที่หลวงปู่เทียนท่านสอนเราเป็นวิธีที่ซื่อตรงที่สุดไม่ต้องค้องต้องแวะสัมผัสสัมผัสกับตัวสติโดยตรงไม่มีอะไรที่มาปิดบังอําพา ง, างสติปัฏฐานนี่อย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่นี่ก็ไม่ถูกนะใช่ไหมได้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 ยกมือขึ้นรู้สึกวางมือลงรู้สึกข่วมมือลงรู้สึกให้มีความรู้ไปกับกายจริงๆไปคิดลั่วไม่ได้เนี่ยยกมือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกเอามือมาหน้าท้องรู้สึกยกมือขึ้นมาเหนือท้องหน่อยหนึ่งรู้สึกยกออกไปรู้สึกวางลงเขารู้สึกข่วมลงรู้สึกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวลู่แท้ๆสาเร็จประโยชน์สัมผัสกับสติ การสัมผัสกับสติไม่ใช่ฟังคิดเราก็ไม่ได้ต้องสัมผัสต้องทําต้องประกอบขึ้นมานี่ประฉะนั้นนี่ให้กันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้อริยรัพแท้แท้เนี่ยเอาให้กันไม่ได้รู้เอาเองรู้เอาเองเห็นเอาเองเป็นของเราเองอืสัมผัสเราเอง ให้ทุกคนได้สัมผัสกับตัวสติมาู่วัดคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้พิเศษสงวนรักษาทรงเอาไว้ประคองเอาไว้จะให้มันหลุดมันโห่น <c oughs> สำคัญอยู่ที่การรักษาการหานีา่มันอาจจะง่ายแต่เรามีทรัพย์เนี่ยการหาทรัพย์อาจจะง่าย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 ลงไปความคุ้คิดก็หมดไปแก้ทุกทีที่มันหลงแก้ทุกทีที่มันพิษจะเรียกว่านักปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็แก้ได้ปวดบ้านอยู่ที่บ้านก็แก้ได้ซักผ้าอยู่ที่บ้านก็แก้ได้มันเกิดอะไรที่มันพิษแก่ตรงนั้นละหัดแก่หัดไข่อยู่ตรงนั้นแก่บ่อยๆมันก็เกิดเป็นศินละปะขึ้นมาแล้ววันนี้ ง่ายแล้วไปง่ายที่จะไม่ทุกข์เลยง่ายที่จะไม่โกรธง่ายที่จะไม่วิตกกังวลแลยมันคลองในทางนี้เพรามันหัดออกหัดหลุดหัดพ้นแต่ง่ายที่สุดถ้าไม่หัดมันก็ไม่เป็นกนหรอมันก็ดุก็ไล่โทสะจริตปางพุทธจริตปางราคะจริตปางบางทีก็จําเป็นจําเป็น คนติดปุรีก็จําเป็นจําเป็นคนติดเล่กโอ้ยจำเป็นจําเป็นอขอเงินไม่ได้ต่้งได้ผ่านหนังสือพิมพ์ขอเงินเมียไปซื้อเล่าไม่ได้จูงควายออกไปขายเมียวิ่งไล่เอาควายขึ้นมาผัวโกรธเอามีดแทงเมียตายเพราะจะเอา คายไปขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินนั่นหลงนั่นหลงมากมากจนลืมอะไรทั้งหมดเลยเคยมีคนติดบุหรี่หลวงพ่อไปสอนเขาเขาเลิกบุหรี่ได้เขาไปเห็นโทษขณะที่เขาสูบเขาไปไถนาตอนเช้าเขาลืมห อ, อยาไปสูบพอดีเมียไปส่งข้าวเขาก็ถามเมียเขาว่าเอาหอยยามาให้หรือเปล่า ภรีย เ, เขาก็พูดใครจะามาให้ของใครใครเอามาทุกวันใครจะามาให้ก็ด้วยความหิวด้วยความกระหายเรื่องยาสูบเขโกรธจะยินเมียพระฉะน้โกรธเมียเตะเมียตกนาตกกระต๊บนาไปเลยเมียร้องให้เข้าบาน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 เพาะฉนถ้าเราหลงมันไม่มองเห็นอะไรถ้าเราไม่หลงก็มองเห็นอะไรคนโกรธคือคนหลงลคนทุกข์ก็คือคนหลง <c oughs> คนวิตกกังวลก็คือคนหลงถ้าไม่หลงมันไม่เป็นอย่างนั้นให้เรามองเราอย่างนั้นน้หลงพรอจะให้แผนที่เอาไว้ <c oughs> ถ้าเวลาใดเราโกรธแสดงว่าเราหลงแนวก็อหาทางซะหาลูกหาทางออก จากมัน่ะอย่าไปให้ความโกรธครอบงำย่ํายีอยู่ที่นั่นมันออกได้อยู่อย่าไปถืออย่าให้มันนอนด้วยอยู่ข้ามวันข้ามคืนความโกรธพยายามออกไปซะออกนี้ให้ได้ไอ้นี่มันหลง่ะแต่ไม่หลงมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกพยายามชวนตัวเองพยายามย่อย ทำให้วิจยยแยกย่อยลองดูจะเพิ่งไปรับมันง่ายง่าจะไปทำตามมันง่ายงานเราทำอย่างนี้ก็ได้ว่าเรามาสร้างบารมีเราได้มันโกรธเขาก็ไม่โกรธไปใส่มีบารมีขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นทานบารมีก็ได้ จ, จะเป็นศีลบารมีเป็นขันติบารมีเป็นอธิษฐานบารมีเป็นสัจจะบารมีก็ได้ สร้างทุกทีแก้ทุกทีอย่าไปจำนวนอย่าไปปล่อยปะละเลยให้โอกาสเขาเต็มที่เต็มตัวมารูจักปกป้องมารูจักคุ้มครองมารูจักสิทธิทางกิจวิญญาณของเราอะไรจะให้เขาไปทั้งหมดถ้าจะพวดเราก็เป็นวิญญาณอ่าเป็นวิญญาณซ้ำซอนส้ำสอนส กโกดก็เอาทุกขก็เอาอะไรก็เอาไม่ใช่เรามาฝึกฝนตนเองมีสติมีสมาธัญญาทำอย่างไรเราจะมีสติอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปชวนกันสิ่งที่ทำให้หลงลืมสติช่วยกันอยู่ร่วมกันหลายๆายคนก็ประครับประครองสิ่งใดที่ทำให้หลงเพื่อนเราหลงก็ชวนให้รู้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 สังคมนั่นชุมชนนั่นจะเกิดเป็นพระรีเจ้าขึ้นมาอย่างตระกูลพนาถาพินารเรษทีตระกูลนางวิสาขะเนี่ยก็เป็นตระกูลของพระริเจ้าเกิดขึ้นได้เพราะมีแต่ความสงบลมเย็นสิ่งแวดล้อมที่ดีอันวัดโมก็เราก็พยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้ดี ท่านได้เขียนระเบียบอะไรต่างๆเอาไว้ก็เพื่อจะช่วยพวกเราอย่าไปหาว่าบังคับอย่าไปหาว่าไม่มีความเป็นธรรมไม่มีอิสระอย่ไปคิดอย่างนั้นระเบียบต่างๆที่เราแม้แต่ศีลอย่างที่เราสมาทานเนี่ยก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเก้าวถึงมรรคถึงผลได้ง่ายอาศัยศีลนี่แหละ อาศัยระเบียบอาศัยแบบอาศัยพิธีเนี่ยแม้แต่พิธีที่เราเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวก็เป็นวิธีที่ช่วยเราเหมือนกับมีมิตรเครื่องไม้เป่าไมา้ให้เร า, กาเรากาะให้เราจับเหมือนกับที่เกาะที่จับเด็กหัดเดินใหม่ๆมีราวมีที่เกาะไปเดินไปเอาไปมากับวางได้เลยอันระเบียบปิในในต่างๆ ฟังดูดีๆเนขะาบอวิในเนะี่ยระเบียบวินัยเนี่ยก็คือวิก็คือวิเศษใ น, ะนยะก็คือนำไปนำไปสู่ความวิเศษสู่ความดีมันระเบียบต่างๆอย่าไปถือว่าโอ้วังคับอย่าไปถือว่าไม่ในอิสระต้องธรรมะเวลาเท่านั้นต้องธรรมชาติธรมธรมะเจนต้องไม่บอก ได้ฉันกาถาไม่บอกเลิกบอกห้อยไม่สุบุรีเพราะป้องกันเพื่อนที่จะหลง